้าเองก็แบบว่าการรู้สึกตัวก็เป็นธรรมชาติมนะากคุณนภัสรู้สึกตัวในแต่ละเจ้าวิจําวันนะบางครั้งก็รู้เองแน่นเหมือนนั่งเฉย อ, อยู่ก็รู้ถึงตากระพี้ปเปลงแ้ค่ะลมมหายใจกาบอากาอยู่ก็รู้สึกเทาที่รู้สึกเด็กอนะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนรู้ใ น, นแต่ละจมันลงรายละเอียดขึ้นอเงนะี้ยค่ะแล้วก็รู้ การชชีวิตในวันเรียบง่ายตกเียบ่ายพอมันเกิดขึ้นตอนตวจมาโนมที่หน้าข้าให้ปีดิดๆหนึงหอค่ะเมื่อก่อนตัวจะความสำคัญมากแต่พอมากแต่เราปล่อยตัวเร่องต่างๆไปหน้าใจมันก็เลยสบายสบายือนความบปกติว่ะค่ะภาแล้วเห็นว่าการจัดการหรืวาเป็นหมอกนปัจจุบันมากขึ้นนะคะคือไม่ค่อยไปคิดเรื่องนีแต่ก็ไม่ได้ไปวางแผนนาน มากมากเหมือนกับเมืนเฉพาะหน้าแบบปูพะรันบางครั้งแล้วก็มันเกิดขึ้นใจก็ก็เห็นมันปวดนะคะแต่ใจมันเฉยเฉยไม่มีทุกข์เหมือนกับมันก็แค่แบบนี้เหมือนกับ่ายาก็โจบอารมณ์ก็ลดน้อยลงก็มีบ้างแต่ก็คิดว่าแต่เราลงดูก็ค่ะพอเรา ออยู่มันก็เลยไม่ได้ออกมาเทาทางวาจาทางกายเลยนะคะ อ, อันนี้ของระอาจารย์ในแนะนำนะคะคือได้สังเกตนะสังเกตไห ม, มว่าเวลาเราปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นการทํางานของของกายการทํางานของอวัยทะน่มากขึ้นโดยใจเราไม่ค่อยได้ทํางา น, านอ่ะใจเราแค่รู้บันเชยแต่ดีขึ้นหนึ่เออ คจะเป็นเวลาจะเป็นธรรมชาติให้สังเกตนะเวลาเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยคือจะสังเกตเห็นการทํางานวิจตนะทั้งหมดมันทํางานเองแต่ใจเราล่ะไม่ได้ทํางานด้วยแต่เราเป็นแค่แค่คนดูมันเฉยๆแค่ผู้รู้ผู้ดูเฉยๆอันเนี้ยมันจะเป็นธรรมชาติแบบเนี้ยธรรมชาติจะเห็นทุกอย่างก็ทํางานเองหมดเลยตัวตาเขาเห็ น, นเองใจเราก็เป็นคนดูเฉยๆห <ๆ S 1> <ๆ S 2> ูได้ยินเสียงเข้าเองแต่จะ คนดูสังเกตอาการลักษณะของเขาเฉยๆส่วนกายเหมือนกันเขาจะเจ็บร้อนจะเย็นนี่เขาเฉยๆแต่ใจอ่ะเขาจะสังเกตแค่สังเกตเห็นลักษณะและอาการของมันเฉยๆโดยไม่เข้าไปแทรกแทงส่วนในใจก็เหมือนกันเวลามันคิดนึกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเองมันเฉยๆแต่เราพอรู้สึกว่าเราอาจจะจะเที่ว่าจะดูเฉยๆดูลักษณะดูลักษณะมันจะชัดเจนขึ้นแล้วไม่มี รู้สึกว่าใจเราไม่ได้ไปแตะต้องหรือไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับมันอันเนี้ยรู้สึกวที่เป็นธรรมชาติมันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆในแบบเนี้ย<ม>เห็นการทำงานใจเราอ่ะจะเป็นคนดูคนสังเกตลักษณะาอาการของแต่ละเรื่องราวได้ชัดขึ<ม>้นอ<ะ>ืมค่ะไเอือยมันจะเห็นว่าเริ่ม ง, ง่ายขึ้นการภาวนาค่ะ ใช่ค่ะเริ่มใกล้ขึ้นเริ่มสบายขึ้นมันสบายสบายใช อ, อการทำงานรอรรบตัวก็จะดีขึ้นอารมณ์ยังมีอยู่เยอะไหมเวลาเราหลงไปกับอารมณ์นานไหมพวกอารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจจะขึ้นมาไม่ค่อยนะ ันคือพอรู้ว่าอยู่ดีพอเราเกิดว่าสืว่ามีคนพูดแล้วเราไม่พอใจค่ะมันเหมือนแค่ดูแล้วกรู้รู้อะพอใจอ่ะแล้วมันก็ก็สนใจมันก็สนใจมันก็รู้เฉยอ่ะแต่รู้อาการที่เกิดขึ้นมันมีการเตือนที่ที่ใจเราค่ะแต่ว่าพอเรารู้ปุ๊บมันก็เหมือนกลับไปปกติมันแบบก็เราไม่พอใจนะคะ ไม่ได้แบบไปไปไปหลงนานมากอะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วจะเต่งที่ึ้แล้วการสัมผัสปัจจุบันได้ได้บ่อยขึ้นไหมได้บ่อยขึ้นมันมันเหมือนเป็นเปนอัตโนมันไปอะคะ่ะรวมครั้งแล้วคือตอนแรกๆดูเหมือนจะไปหลังๆมันว่าดีมันก็รู้สึกขึ้นเองก็รู้สึกรู้สึกเท้าเดิสถือว่าเดินไปทํางานรู้สึกนั่งนั่งรอรอประจุอยู่อ่ะรู้ว่ามี ตาก็มีอะไอย่างเงี้ยอาจารย์ขบรถอะไอย่างเงี้ยู้ในในสิ่ที่มันไมยจาตอนแรกเราก็เผลอๆไปบ้างอะไรเง้ยค่ะแสดงว่าเรื่องมัฒนาเลยเลยเลยเ่อฉยๆคือปัจจุบันนี้คือเหมือนมันเฉยเฉยปกติชิวชิวชิวชิวอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อาจารย์ ดีแล้วดีแล้วลองลองค่อยค่อยค่อยๆพัฒนาดูดูการพัฒนาตัวมันเรื่อยๆนะพยาพยามพยายามพยายามพยายามสังเกตดูให้ใจมันหยุดทํางานให้ใจมันเลิกทํางานให้มากที่สุดแล้วปล่อยให้ยตนะทั้งหลายทั้งปวงทํางานเองสังเกตภาะวะนี้ดีๆ แ, แล้วเราแล้วเราจะเริ่มชวิวขึ้นเรื่อยจิตเราจะเริ่มชวิวขึเรื่อย ได้เห็นการทํางานของ อ, อ, อ, อ, อายัญชนะต่างๆของอารมณ์ต่างๆเนี่มากขึ้นมากขึ้นแล้วสังเกตองค์ประกอบได้เยอะขึ้นทํามันนิ่งมากเขานะมันนิ่งมากเขาใ จ, ใจใจมันยอ ม, ยอมรับความเป็นไปของอารมณ์พนี้มากขึ้นใจจะเริ่มดูอะไรได้ละเอียดขึ้นใจเปิดกว้างน ะ, ะละเอียดมาญขึ้นแล้วคนอื่นเป็นยังไงบ้างวิโรจ <นะ S 2> โอเคเดี๋ยวพี่ตุ่มรายงานคนแรกค่ะ ข oh. ้ากล่าบนมส ก, การอาจารย์ค่ะถ <to> ูกก็จะขอรายงานนะคะก็คือตั้งแต่ที่เริ่มปฏิบัติมาตอนนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะรู้สึกตัวค่ะหลังจากนั้นก็ไปทำกิจกรรมย่อยตอนนี้จะฝึกเรื่องล้างเมื่อนาะ กระทบมือค่ะจะค่อนข้างได้ผลเพราะว่าฝึกทุกวันเดี๋ยวนี้พอพอเปิดน้ำล้างมือปุ๊บ ก, ก็จะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาอะไรที่เกี่ยวกับน้ำเช่นล้างจานลดน้ำต้นไม้น้ำกระทบมือจะรู้สึกตัว ก, ก็เลยใช้ตัวนี้ค่ะมาฝึกกับเรื่องกิจกรรมย่อยต่างๆในแต่ละวันก็จะ ใช้เวลากับการเดินได้ประมาณสามสิบนาทีแล้วก็จะเดินเดินแบบในในรูปแบบเนี้ยค่ะสามสิบนาทีแต่ว่าก็จะมีเดินออกกาลังกายประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกวันคราวนี้ช่วงที่เดินหนึ่งชั่วโมงเป็นการออกกำลังกายเนี่ยก็ฝึกไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นจ ะ, ะจะจะขี้เกียจอะคะ่ะไม่อยากเดินก็ ก็กลายเป็นว่าก็ได้ฝึกด้วยก็ดูอะไรที่ผ่านเข้ามาดูรูปที่เห็นดูลมที่มาสัมผัสกายก็ได้ฝึกไปด้วยแล้วหลังจากนั้นก็จะมาฝึกกิจกรรมย่อยก็คือขึ้นลงบันไดพอหลังจากชำนาญขึ้นตอนนี้ล่าสุดนี่คือการมาสังเกตว่าตัวเองทำอะไรบไ่บ่อยรู้สึกว่าตัวเองหยิบรีโมทบ่อยรีโมทแอร์รีโมททีวี ก็เลยมาเอากิจกรรมตัวนี้เป็นตัวฝึกซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมาไม่เคยรู้ตัวเลยหยิบมาเปลี่ยนดูอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มือที่ขยับไปหยิบรีโมดเริ่มรู้ตัวขึ้นค่ะแล้วก็กิจกรรมย่อยอื่นๆก็ก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะคะพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อให้ให้ทั้งวันเนี่ยมีความรู้สึกตัวได้ไ ด, ได้ตลอดทั้งวันนอกนั้นก็ ก็จะจะมีปัญหาอยู่ที่เวลาที่ออกนอกบ้านนะคะอืออกนอกบ้านตอนขับรถยังพอได้ค่ะขยับมือหรือจับพวงมาลัยอันนี้รู้ตัวแต่พอเริ่มเจอเพื่อนก็ยังเจอปัญหาเก่าออดีขึ้นแต่ก็ยังยังถือว่าถือว่าไม่ค่อยดีอ่ะค่ะเพราะก็ยังลืมหลงลงืมหลงไปกับการพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะความคิด แล้วก็ที่แย่ๆคือเรื่องการกินอาหารก็ยังหลงไปกับความอร่อยแล้วก็ยังมีกิเลสกับเรื่องการกินเยอะมากปกติที่ผ่านมาตัวเองจะตัวเองจะลดละเรื่องของการแต่งกายอันนี้รู้ตัวว่าลดได้เยอะค่ะเรื่องความสวยงามอะไรรู้ตัวว่าลดลงไม่ได้เยอะ แต่ก็จะมาเสียเนี่ยค่ะยังรู้สึกว่ายังแสแวงหาการกินอร่อยยังมีมาบ่อยๆที่เราก็ยังตามใจกิเลสอยู่ค่ะเรื่องเรื่องปัญหาหนักๆ <c oughs> ก็จะมีเรื่องการพูดคุยกับเรื่องอาหาร <c oughs> ส่วนเรื่องอารมณ์ต่างๆถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยจะจะค่อนข้างเฉยๆค่ะมีอะไรกระทบหรืออะไรมาก็จะรู้ตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่พอออกนอกบ้านก็จะหลงไปไปนานขึ้นแต่ก็กลับมาบ้างกลับมาได้บ้างก็ทุกวันก็จะฝึกอยู่อย่างนี้ค่ะก็มีมีคำถามที่จะถามพระอาจารย์ก็คือว่าออตอนที่เกิดอารมณ์ไม่แรงเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะเกิด หงุดหงิดหรือว่าเบื่อหน่ายแต่มันความรู้สึกตัวมาปุ๊บอารมณ์พวกนี้มันจะหายไปแต่มันมีบางครั้งที่อารมณ์แรงแรงมันมามันไม่แน่ใจว่าหายรู้สึกอารมณ์แรงก็รู้สึกตัวค่ะแต่ว่ามันไม่หายมันต้องช่วยมันเหมือนใช้ความคิดช่วอยอะค่ะเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือว่าหรือว่าพูดว่า คิดะค่ะคิดว่าเอ้ยมันเป็นกรรมของเขาปล่อยก็ไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีตัวนี้มาช่วยถึงจะได้ถึงจะหายไปอะค่ะอืก็เลยสงสัยว่าไอ้ตัวตัวการหายไปของของอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันต้องฝึกมากๆใช่ไหมคะถึงจนกระทั่งความคิดไม่ต้องมาช่วยใช่ไหมคะใ่คะจริงจริงจริงเงือ่อนไขเข้ามาในตรงจุดเนี้จริงๆเรา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 แต่ใจฉันนะ่ะในตัวเองใจเราเองปมันมันจะรู้เฉยๆว่ามันจะกลับไปรู้เฉยๆว่าเอาดูสิมันจะทุกข์สักเท่าไหร่มันจะสุขสักเท่าไหร่เพื่อมันต้องการเปิดโอกาสให้จิตเนะได้เรียนรู้ความทุกข์วันนี้ได้เต็มที่แล้วต่อไประวังตัวเองมันอีกนันหนึ่งที่ว่าเพอเราเราปฏิเสธเราจะมีความพย า, ใใาพยามในใจอะความพยายามในใจนี่จะเป็นด ยังไ ม, ม่ยอมรับมันให้นึกสังเกตยอย่างนี้สิเราก็เห็นกราฟที่มันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขลงลงไหมกราฟสูงสูงต่ำเปลี่ยนไหมแล้วมันจะมีกราฟเส้นหนึ่งที่มันวิ่งตรงตรงอ่ะเส้นที่วิ่งตรงเป็นตัววัดอ่ะเป็นกราฟรเป็นตัววัดอ่ะเห็นการที่มันตรงมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วขึ้นลงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่ไอตัวรู้สึกเขาก็จะทําหน้าที่รู้ของเขาแต่อ้ขึ้นลงขึ้นลงอะ อารมณ์ที่มันขึ้นลงที่มันมีความหมายบ้างไปมีความหมายบ้างนั่นเป็นบัอารมณ์นะแต่ตัวรู้คืออารมณ์ที่กลังติดอยู่ตัวจริงๆอ่ะคือตัวรู้แบบ น, นั้นนะ่มนรู้เรารู้แค่นั้นน่ะพอแล้วแต่ที่มันคจะกำจัดมันเร็วอันนี้่มันทำให้จิตทำงานอ๋อค่ะก็คือ เ, ค เ, เราก็แค่รู้ไปใช่เทา หายจิตมันเป็นตัวรุนนะลองดูมันซิว่าเมื่อไหร่มันจะหายโดยไม่ใช่ปฏิเสธมันอนะ่ะแล้วเราทําอะไรแล้วก็ทําเราไปเช่นเรากําลังทําอะไรอยู่ก็ทำไปด้วยทั้งที่ที่อันนั้นมันยังอยู่ด้วยนั่นแหละไม่ได้มีความคิดที่จะไล่เขาหรือความคิดที่แทรกแซงเขาแต่ปล่อยให้เขาเดินดาเนินเรื่องเข้าไปตามเรื่องเขาแต่แต่ตัวเราใจเราเองที่แยกออกมาแล้วนะ่ะมันก็กําลังทํากิจกรรมอะไรอยู่ก็อยู่กับกิจกรรมภายนอกที่มันมีอยู่เรื่อยนั่นแหละจกําลังเดินอยู่ก็เดินไปไม่เป็นไร กำลังกลังกินข้าวอยู่หรือกําลังสัมผัสอยู่อะไรอยู่ก็ก็รับรู้ร่างกายไปเรื่อยๆพร้อมๆกับ อ, อารมณ์ที่ยังมีอยู่ด้วยแล้วไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องไปทําอะไรกับมันเพ<ต>ียงจะเป็นผู้ดูเฉยๆดูเฉยๆแ ต, แ, ตแต่ตอนเนี้จิตมันยังมีความรู้สึกว่าจิตของคุณยมคุณตุ่มเลน ะ, ะยังเป็นจิตที่ยังมีการทําอยู่มากอยู่ คุณง่ายๆจะมีการทําอยู่มากอยู่ค่ะนะต่อไปเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่ทวางอยู่นะเรายังมีสเตปอยู่อย่างหนึ่งคือคือยังพยายามจะทําให้รู้อยู่อ่ะยังยังไม่ค่อยปล่อยให้มันรู้บบกับชาวบ้าชาติเท่าไหร่ยังมีความพยายามอยู่ลึกๆที่ต้องการจะรู้อยู่ค่ะนิดๆอยู่เพราะว่าเราสร้างกิจกรรมขึ้นมาปุ๊บนะไอ้การอไอ้กิจกรรมที่เราสาร้างขึ้นมาปุ๊บ มันจะทําให้แกมีการั้ใจดีกรอบดีกรอบที่จะรู้สังเกตไหมเห็นไหมสังเกดูอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเราตั้งใจจะตั้งใจจะเดินตึกบันไดแล้วรู้สึกเราตั้งใจตึกบันไดรู้สึกทีนี้ลองฝึกที่ไม่ตั้งใจมันซิแล้วมารู้สึกเป็นยังไงไม่ตั้งใจต่ตั้งใจรู้สึกเองมันใช้จะล้างเกี่ยวกับการกิจการในการทําน้ําเนี่ย จะถูกน้ําอาบน้ําหรือน้ําเช็ดตัวใช็ดอะไรเนี่ยก่อนทําเนี่ยเราจะสังเกการตั้งใจก่อนเล็กน้อยใช่ไหมอือเป็นบางครั้งค่ะแรกช่วงแรกๆกแต่หลังหลังๆเนี่ย<ม>พอน้ําโดนมากความรู้สึกตัวจะมาเองเอ อ, อ เ, เออก็เลยคิดว่า น, น, น่าจะมาจากการฝึกฝึ ก, ฝกเอออัน น, นั้นนั้นคือส่วนหนึ่งที่มันมาจากการฝึกแต่ไอไอไอตัวที่กระบวนการที่มาจากการฝึกแบบเนี้ย แล้วมันมีความความตั้งใจอยู่เล็กๆอยู่นีนนั้นะดีนะใช่ไปดีแต่ว่าบางช่วงเนี่ยไอความตั้งใจอันนี้ก็เหมือนกันเวลามันเจอกับอารมณ์ความคิดเนะี่ยเปโลเจอรวมเอาความคิดที่เราว่าที่ว่าไอความคิดอันนี้ทําไมมันแรงแ ๆ, ๆเนี่ยมันได้หายสักทีเนี่ยมันก็เลยจะมีการตั้งใจเล็กๆนั่นแหละตั้งใจจะกําจัดมันอีก ม, มันมีอันนี้ส่งส่งต่อมาถึงไอตัวเนี้ยที่ตั้งใจจะกําจัดมันคิดก็ไปเิแรสกๆโอ้โห ยังเรา ก, กับเขาอันนี้เป็นความคิดปลอบใจเฉยๆแต่ถ้าเป็นให้ตัวรู้จริงๆนะเรียนรู้ลงไปตรงๆหรือว่าบรรทุกอะไรนักหนามจิตอะไรนักหนา oh <no. S 2> ต้องต้องกันให้มันหายเร็วไหลช้าแต่ลองศึกษาตรงเลยว่ามันจะเป็นอะไรปล่อยเป็นแต่ฉันจะดูมันการดูดูบนเงื่อนไขนี้ว่าเราก็มีปัจจุบันเราไปด้วยพร้อมๆกับอารมณ์เกิดขึ้นไปด้วย เออแต่ว่าถ้าดูแล้วดูแล้วลืมปัจจุบันไปเลยเนี่ยลืมปัจจับันไปเลยเนี่ยต้องช่วยช่วยในการอยู่กับปัจจุบันที่กาลังปั่นการอยู่ทันเพื่อเป็นตัวจุช่วยช่วยกระตุ้นมันไอโยมตุ่มกดไหมใช้ใช้ใช้ตุ่กดไหมใช้ตัวกดเหรอคะเดี๋ยวใช่ไหมอ้อมช่วงนี้ไม่ได้ใช้ค่ะฝึกเรียนรู้แบบธรรมชาติค่ะเออเออนั่นแหละ ลักษณะเดียวกันเวลามันมีอาณพนั้นขึ้น ม, มาปั๊บอย่าพยายามใช้ความคิดไปจัดการมันใช้การรู้เรียนรู้แบบธรรมชาติเขาไปศึกษามันเลยค่ะใจกระพูนี้ไปละใช้การรู้แบบอย่าไปรังเกียจมันหรืออย่าไปคิดที่จะกับจัดมันแต่ใช้การรู้แบบธรรมชาติอะอารมณ์ที่มันติดเนี่ยใช้การรู้แบบธรรมชาติแล้วเขาไปเรียนรู้มันเลยเรียนรู้มันเลยเพราะว่าเราก็จะมีกําลังตัวนี้ยัง ด, ดีพออยู่แล้ว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 ละเอีอันหนึ่งมีเป้าหมายอะไรมีเป้าหมายในการวางแผนยังไงที่จะจัดการกับเรื่องการกินวางแผนหร้ อ, อยัง ก, องก็ก็จะใช้สังเกตมือที่ขยับอะไรนี่นะคะเออเป็นเมื่ อ, อไหรที่มือขยับจับไปว่าว่าจะฝึกว่าถ้ามือขยับไปหยิบช้อนหรือให้ให้รู้สึกตัวะค่ะ ไม่ทราบวิธีนี้พอจะได้ผลไหมคะประอาจารย์เลยมันเอาวิธีนี้สิมันชอบกินอะไรนะอยากินให้มันดูสี่จะเป็นยังไงลองลองดูสิหมายถึงฝืนใช่วิธีฝืนใช่ไหมคะพระทาจารย์เออมันสีลองฝืนมันสีเราจะเรียนรู้มันดูวยว่าฝืนมันเพื่อจะลดความอยากมันถ้าเราไม่ฝืนมันนะบางทีนะ การให้ฝืนมันเน่ยจะไปส่งเสริมอารมณ์มันให้มันมีกําลังการฝืนมันบ่อยๆเอาใหญ่จะกินไอ้ น, นี่อย่าไม่กินหรอกจนกว่ามันหายอยากก่อนแล้วค่อยกินอ๋อคือพอดีโยมจะมีลูกๆอยู่ด้วยอะค่ะเขาก็จะมากระตุ้นกิเลส ท, ทุกวันแม่กินอะไรแม่สั่งทางนี้นะาเขาก็ดิลิเวอรี่มาอย่างนี้ค่ะเราก็จะโอ้แบบสนองตอบกิเลสได้อย่างรวดเร็วมากค่ะเอาอย่างนี้สิ ก็บอกให้เขาว่าบอกกับเขาสิ่งที่เราไม่ชอบอะ่ะแม่อยากกินนี่นี่ไอ้ที่เราไม่ชอบอะนะ่ะแหะบอกเขา <c oughs> บอกเขาแม่อยากกินนี่ <c oughs> นี่ลองดูที่ไร่เขาซื้อมาแล้วเราก็กินมันแหละลองดูมันสิงจะเป็นยังไง <c oughs> หรือไม่ก็เอาอย่างงี้ก็ได้บอกว่าแล้วแต่ลูกจะหาให้แม่กินได้หมดแหละต้องปล่อยเขาดูเขาจะเอาเลือกไปให้เรา <c oughs> เพื่อเราจะได้ <c oughs> ใ, ใจ ในใจเราอาจจะสั่งว่าให้ฉันอยากกินนี่กินนี่กินนี่กินี่นะแต่เราไม่พูดลองรู้สิปล่อยให้ลูกก็หามาให้ดิเอาลองลูกลงตัดสินใจดูสิเอาเนี่ยลูกลอลูกซื้ออะไรมาก็ได้แต่แม่กิน<า>นี้นั่นแหละเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันความคิดที่มันอยากทางใจเกิดขึ้นแล้วมันสั่งมาทางวาจาอันนี้เนี่ยเราจะสร้างวิบากความชอบใจเราจะไม่ลดลง ความชอบใจเราจะความชอบใจเรื่องอาหารเราจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราเสียท่ามันพอเราใช้วาจาเน่ยวาจาเน่ะไปสมยอมกับอารมณ์ที่เราอยากแล้วค่<อ>ะสังเกตเ อ, ออารมณ์อยากใช่ค่ะใช่คือ<ช> <ๆ S 1> เพราะว่าไอวาจาที่เราสั่งไอเช่นเช่นลูปบอกแม่อยากยินไรปุ๊บมันจะกิดแวบขึ้นมาทนทีแล้วก็สั่งสั่งทำเหมนพระค<ช>่ะที่ ถ้าท่านอยากจะกินอะไรปุ๊บท่านก็ต้องนิ่งเฉยแล้วแต่ใครได้ครัอา<ๆ>จารย์เดี๋ยวจะลองจะลองวิที่นี้ดูอะไรก็ได้ทำเอเอมันจะมีความคิดแล้วจะมีความรอคอยแล้วจะมีการคาดหวังถ้าก็ซื้อมาถูกไใจเราก็จะรู้สึกว่าโอ้รูปรู้ใจเราแต่ก็ซื้อไปถูกใจเราโอ้รูปไม่รู้ใจเราเลยขัดแบบนี้เนี่ย พราะเราต้องรับมันเออทางวาจาเนี่ยไม่องั้นนะเราก็จะรับพิบัติของความอยากของเราที่มันเริ่มมาเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่นั้นนะก็จะอาจไป็หาอารมณ์ที่ชอบใจอย่างอื่นๆไปค่อยๆเติมมันไ ป, ไปเรื่อยๆค่อยๆตัดตอนมันก่อนกอนที่มันจะมีกําลังใหญ่โตขึ้นล่อยอลองลอ ง, ลองวางแผนแบบนี้ดูแล้วถ้ามันอีกอันหนึ่งคือวางแผนอีกอันหนึ่งคือมันอยากจะกินก็กินอยา ก, กนากมากๆกินมันน้อย เดี๋ยวบางทีก็อดไปเลยเขซื้อมาให้ก็กิกนสักคำ้องคำแล้วก็แม่หยิบมแล้วอดมันเลยดูซิมจะเป็นยังไงได้มันจ ะ, ะขนาดไหนมันจะคิดถึงขนาดไหนเนี่ยลองหัดดูนะลองดูแล้วมันจะไม่เพราะว่าผลจากตัวยาไอ้ตรงนี้ตัวยาที่เรากินอาหารเนี่ยเวลาเราเจออารมณ์ไม่พอใจเราก็จะอยากกำจัดมันเหมือนกันเนี่ย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 ถ้ามันให้เหตุผลก็ดูดูไอ้ตัวที่ให้เหตุผลนะไอ้ตัวสั่งการตัวที่สองที่ว่าที่ว่ามันเช่าให้เหตุผลนะที่จะให้ไปทําทำนี่กับมันนะ่ะแต่เราไม่ต้องไปดูอารมณ์เดิมรวตัวที่สองที่มันขึ้นมาเนะี่ยจังหวะสองนะเช่นอารมณ์ไม่พอใจมันเกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บแล้วมันมีอารมณ์ตัวที่สองที่มันคอยจะสร้างความคิดว่าน่าจะคิดแบบนั้นน่าจะคิดแบบนี้น่าจะรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ อารมณ์ตัวที่สองเนี่ยไอ้ตัวก็เจ้าความที่สั่งให้เกิดความคิดกระบวนการความคิดออกมาตรงนี้เป็นตัวที่สองมันจะเห็นตัวทั้งสองก่อนเช่นตัวคิดอารมณ์เดิมๆและตัวคิดอารมณ์ที่สองจะกับจัดอารมณ์ความคิดนั้นนะ่ะมันจะเห็ น, น<ช>เออเห็น<ช>ตัวนี้ ใ, <ช>ใหมครับอันเนี้ยนั่นแหละ น, น, นั่นแหละขัดเช่นไอ้ตัวนี้ให้บ่อยๆเนี่ยใช่ไหมมันจะตื่นมาอีกเคยตื่นออกมาจากความคิดตัวที่สองเนี่ยนี่เนี่ย อัดเฉียนมันบ่อยๆอใช่เลยค่ะอาจารย์อันนี้แหละอันที่สองนี่แหละครัเออเอออยสังเกตไอ้ความคิดตัวนี้ดีๆความคิดตัวแรกไม่เป็นไรหรอกแต่มันเป็นความคิดตัวที่สงที่ไม่ชอบแล้วเราก็เลยใช้คําพูดปลอบตัวเองถึงไม่ปลอบมันก็าหายถึงปลอบมันก็าหายแต่รู้ไหมว่าเวลาปลอบมันหายเนี่ยมันรู้แต่ทาอะไรบ้างอย่างจึงทําให้อารมณ์นั้นหายนี่แหละถึง สามารถหยุดทํางานได้อีกแทนที่จะรู้ยิ่งเชื่อที่ทิฏฐอุเบคาอุเบคาของเรายังไม่เพียงพอ ส, สมาธิเราเบคาเราไม่ไม่เข้มแข็งเราจึงจำใช้นั่นช่วยเ อ, อแ่แต่มันมีข้อแม่อีกอันหนึ่งนะถ้าบางครั้งมันเกิดรุนแรงเกินไปก็ต้องใช้มันช่วยในบางโอกาสเอเอถ้าเรามีโอกาสได้เรียนรู้เนี่ยอย่าไปใช้ปล่อยเลยปล่อยให้มันได้เรียนรู้ เราคอยสํารวจดูด้วยนะได้ค่ะด้ค่ะที่ขึ้นลองวางแผนต่อไปหวางแผนกับการกําจัดเรื่องอาหารให้ดีได้ค่ะค่ะหมดค่ะแล้วเรื่องวัดขึ้นค่ะกับบันดี้เป็นยังไงบ้างอ๋อก็คือที่กลุ่มก็จะคุยกันทางกลุ่มทั้งหมดอนะคะก็จะรายงานเข้าไปในกลุ่มก็ช่วยกันให้กําลังใจค่ะใครที่ที่ผ่าน ผ่านหรือดับอารมณ์อะไรต่างๆได้ก็จะให้กําลังใจกันค่ะเออๆแล้ก็แชร์ประสบการณ์ในการสู้ในการหาวิธีการใช่ค่ะในการจะเอาชนารมณ์ก็ดีในการหลบอารมณ์ได้ก็ดีกันแบ่งๆกันบ้างก็แล้วกันวันนี้ฉันใช้วิธีนี้นะจริงใช้กับมันได้นะเพื่อเพื่อนเพื่อนจะได้มีประสบการณ์ในการ<ช>เขาไม่ใช้ เออย่างไงดีละบทสนทนาด้วยเนาะค่ะค่ะค่ะอต่ออ่ากระพระคุณพระอาจารย์ค่ะค่ะขอโทษนะคะค่ะไม่ก้อยนะคะขอขออนุญาตกลุ่ม <Jub> น <ilee> like <bands in> <heart> <off> <describes> ิด <rene> น hmm, yeah. ึงนะคะพอดีไม่ก้อยมีธุระต่อขออนุญาตส่งการบ้านก่อนได้ไหมคะได้ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ขอรายงานเอารมณและการปฏิบัติตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนะคะค่ะ ก็อตอนนี้ค่ะก็ตั้งแต่เริ่มการปฏิบัติเข้าครั้งนี้นะคะเราก็ในกลุ่มก็ตั้งใจกันว่าจะมีเวลาสักสิท์พร้อมๆกันตอนประมาณตีห้าตีห้าครึ่งอะคะ่ะตอนนี้ก็ปฏิบัติตามนั้นก็คือทุกวันวลาสามสิบ น, นาทีนะคะในช่วงที่ทำวันแรกๆเนี่ยก็ยังรู้สึกเก่งๆกลัวๆยังกลัวจะเพ่งอยู่อะคะ่ะแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มารู้สึกตัว รู้สึกที่เท้าตอนที่เดินได้ทุกครั้งอะคะ่ะเวลาที่เผลอคิดไปเราก็ไม่ไปรู่หมอกความคิดค่ะทำให้เราดับความคิดต่างๆได้เร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรามามีสติอยู่ที่การเดินอยู่ที่เท้านะคะแต่ว่าคือหลังจากทาไปเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองมีสติดีขึ้นนะคะสามารถที่จะอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวรู้ได้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ ทีนี้สิ่งที่ทําให้เราสอบอารมณ์ได้ดีที่สุดก็คือลูกอะคะ่ะลูกแม่ยกงคงเป็นตัวสอบอารมณ์ของเราอยู่เมื่อะไหร่ที่ลูกทําได้อย่างใจเรานะคะหรือทําให้เรารู้สึกพอใจเราก็เราก็รู้สึกว่าวันนั้นมันก็เป็นวันที่ดีของเราแต่ทำอะไรที่ลูกทําตรงกันข้ามทําให้เราทําให้เรารู้สึกไม่พอใจเราหงุดหงิดเนี่ย มันก็ยังไม่มีกําลังที่จะทันความโกรธบางครั้งอะคะ่ะมันก็จะเกิดความหงุดหงิดแล้วก็โกรธเขาขึ้นมาแต่ว่ามันดีขึ้นน่ะพระอาจารย์ก็คือเราสามารถที่จะพลิกความพอใจไม่พอใจได้เร็วอะคะ่ะเราสามารถที่จะหยุดคือโกรธเนีอาจจะไม่ทันโกรธแต่ว่าเราหยุดได้ได้เร็วเราหยุดได้เร็ว<ม>พยายามวางพยายามปล่อยพยายามที่จะรู้จากตัวหลงแล้วก็ไม่เข้าไปส่งเสริมให้กําลังมันก็พยายามที่จะ ค่อยๆถอยอารมณ์ออกมาดูมันนะคะแต่บางทีก็ทันบ้างบางทีก็ไม่ทันนะคะพยายามที่จะส่งเสริมตัวรู้อะค่ะโดยที่เราก็ฝึกฝึกให้รู้สึกตัวขณะทุกๆไอเดียบทที่นึกขึ้นได้นะคะพระอาจารย์ก็จะพยายามทำทุกครั้งที่นึกได้ซึ่งตอนเนี้มันก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตละคือเราจะไม่ปล่อยของเราไปนิ่งๆเรื่อยๆหลงๆค่ะเมื่อไหร่ที่เดินเราจะรู้สึกตัวที่เท้าทันทีหรือถ้าหลงไปปุ๊นึกขึ้นได้เราก็จะมารู้สึก รู้สึกสัมผัสที่เท้ารู้สึกสัมผัสที่อายตนะทั้งหมดที่เราเรารู้สึกได้อะคะ่ะก็สำหรับสาหรับลูกๆอะคะ่ะก็คือบางทีเราก็รู้ค่ะว่าว่าการที่เราเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็ดีกับตัวเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็สะท้อนกลับมาว่าเวลาที่เราเราไม่หลงไปกับอารมณ์มากๆเนี่ยลูกเขาก็จะรู้ว่าเออแม่แม่เย็นขึ้นแม่แม่ไม่ได้มีอารมณ์กเขา หรือว่าแม่โกรธเขาแบบหายได้ไวก็วคือไม่ไม่ได้เก็บเขาไม่ได้ไม่ได้ใส่อารมณ์หรือสร้างวัตถีกรรมอะไรเขาเขาก็เพียงแต่เงียบๆแล้วก็ให้เขาพิจารณาตัวเองแล้วเขาก็จะรู้ตัวค่ะพระอาจารย์เขาก็จะกลับมาบอกเราเองว่าเขาเขาขอโทษ น, นะที่ทําไปแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยต่างคนต่างก็ก็มีอารมณ์ทั้งคู่แต่เมื่อไหร่ที่พอเราเริ่มเริ่มมีสติมากขึ้นต่างคนต่างก็ไปเหมือนกับไปหามุมสงบของตัวเองพอเริ่ม เริ่มมีสติเราก็จะมาคุยกันแล้วลูกก็จะมาขอโทษเกืบทุกครั้งที่มีปัญหาลูกก็จะมาขอโทษกับอาจารย์เพราะว่าเราเราจะไม่เราจะไม่หลงอารมณ์ปล่อยอารมณ์ปล่อยความโกรธไปมากกว่าที่เป็นอยู่เริ่มรู้ตัวก็เห็น<ด>ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งเราและลูกคราาับอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ค<ม>่ะสาธุคระอาจารย์แล้วก็แต่ว่าก็ยังมีค่ะบางทีเราก็หยุดโกรธไม่ทันจริงๆก็ต้องบอกเขาอะค่ะ ก็ก็บอกเขาว่าแม่โกรธจริงๆนะแล้วก็แม่ก็รู้ว่าว่าหนูเป็นอย่างเนี้ยเราก็ยอมรับตามความเป็นจริงของเราละกันแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้คําถามหรือข้อสงสัยก็คือว่าเอารู้สึกว่าคือการการปฏิบัติเนี่ยทําได้ได้ทุกวันเราก็รู้สึกว่าเออเรามีพัฒนาการแต่ว่าด้วยภาวะความตั้งมั่นนะเรารู้สึกว่ามันมันยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เราเรา ถึงมแม้เราจะกลับมามีสัมพันกับปัจจุบันได้ปล่อยขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็จะมันก็จะลงไปได้ไดเรื่อยๆอะค่ะจะมีอารมณ์มีมีมีอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วเวลามีอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการปรับปรับใจบ้างอะค่ะอาจจะมีอาการต่างๆออกมาให้ให้ลูกเห็นว่าเออเราโกรธจริงๆแล้วก็แล้วก็เรายังไม่พร้อมที่จะคุยกับเขาหรือว่าทํากิจกรรมกับเขาตอนนั้นก็บอกเขาไปว่าตอนนี้แม่ขอข อ, ขอปรับอารมณ์ก่อนนะ อ๋อเราพร้อมก็คุยกับเขาแล้วก็ต้องใช้เวลาลนบิดตึงต้องใช้เวลานิดหนึ่งที่จะปรับอารมณ์แล้วก็กลับมาคุยกับเขาเหมือนเดิมอะค่ะอาจารย์นี่ก็ก็ที่ที่ยังเป็นปนัญหาอยู่ก็คือเราเรายืดเท้ายังมีกําลังที่จะสู้กับตัวโกรดนี่ยังยังมีกําลังสู้มันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าก็พยายามฝุดอยู่เรื่อยๆค่ะอาจารย์ไม่ทิ้งเลยค่ะทําได้ทุกวันก็มีพัฒนาการที่ ดีกว่าเมื่อก่อนซึ่งเราไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ปล่อยไปเรื่อยๆตอนนี้เราเริ่มรู้ตัวว่าเออนี้มันไม่ควรไม่ควรทําแต่มันก็หลุดไปหลุดไปก็พยายามกลับมาอยู่หลงก็รู้ว่าหลงละรู้รู้ว่าหลงได้เร็วขึ้นแต่ว่าทันไม่ทนนันเป็อีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ค่ะอืออืออืออืออือได้สังเกตไหมว่าที่ว่ามันอ่อนแอมันอ่อนแอเพราะอะไรสาเหตุที่ทําให้มันอ่อนแอคือกำลังตามค่ะค่ะเรายังตามอารมณ์มันไปค่ะอย่างเช่นเราโกรธมากเลยเพราะว่า ลูกเขาเขาเขาเข า, เขาทําจนเราแบบทนไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะไม่ไหวหนมาจนแบบแม่ไม่ไหวแล้วนะแม่ขอถูหน่อยแม่ขอแบบอืมอะไรอย่างเงี้ยพัจาขอระบายอารมณ์นิดนึงแต่ว่ามันก็เบาลงกว่าเมื่อ ก, ก่อนเยอะค่ะพัดานค่ะอืมเยอะใอ ย, อยู่อืมทีนี้ไอตัวที่มันทําให้ให้ให้เราอ่อนเอเนี่ยคือไอภาวะของการเนี่ยภาวะของการที่จะ รู้หนึ่งต่อหนึ่งในขณะหนึ่งของเราเนี่ยมันไม่เยอะแล้คตออหนึ่งขณะหนึ่งให้เยอะๆให้บ่อยๆ่รู้หนึ่งในขณะหนึ่งรู้หนึ่งขึ้นไว้นึงขณะหนึ่เนี่ยเราเสริมตัวนี้ปบ่อยเสริมตัวนี้บ่อยๆแล้วปล่อยรตัวรู้ใ ไวรอะไรไที่เราหัดไปบอ่อยที่เราว่า อ, อยู่กับตนนี้ถ้าเราว่าจิตเรารวมเรารวมได้ง่ายนะเนี่ยหัดมันไ ป, ไปบอ่อยให้บบรมันจะเริ่มชำนาญอันนี้แล้ว ก, กอีกอันหนึ่งคืออย่าห้ามเอาไังไหลายทั้งปวงให้เขาให้เขเกิดไปค่ะพยายามพยายามกำลังพอจิต ไม่ทำตามเขาไม่ทั้งๆที่เราทำามกันไวเรายร <The> ับ e? ผิดไดกับเขาวันนี้ก็ดีนะตัวตนเราก็จะลดลงสามารถพูดครุได้อย่างนี้กาแสดงมันถือว่าเออยังยอมรับตัวเองไม่ชอบก็คือยอมรับไม่ชอบดีมากเวลายอมรับผเราจะเอาเทียงเอาเทียงรอถูกเมาไว้แต่ลูกผิดลูกเดียวแสดงว่าปัญหามันยังมีอยู่ แนน ม, ม่สบายใจนะออก็บกม่เป็นสบายใจนะลูอย่าเพิ่งยุ่งนะตอนนี้คูกด<ะ>ีดีละวล้ะค่ะว้ดียารอบวันีแต่พยายามจะแก้ไขตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาเสริมไอการัตรู้อะไรั้ช่ย็เคลื่อนไหวหนึ่งรู้หนึ่งขนาดหนึ่งโดยไม่ปฏิเสธอะไรน้นนะไม่ก่อยค่ะอ okay. ค่ะภาจารย์ค่ะ่ฝึค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะภอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะโอาแล้วใครต่อกลับนมาตรการค่ะไม่ได้ยินไหมคะได้ยินอยู่อ๋อเอยู่กรมรัฐดีใช่ค่ะ ก็กลุ่มกลุ่มเราก็จะปฏิบัติทุกเช้าค่ะเป็นเป็นกลุ่มๆไม่เป็นบัดดี้ค่ะก็ใช่เป็นออโต้ดีค่ะเพราะว่า่ะใช่เวลาเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะตีห้าเมก่อนตีห้าต้องมาแบบเฮลโหลกันในไลน์แล้วก็แยกกันไปแล้วก็พอสักตีห้าึั่วโมงทุกคนก็มารายงานว่าได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะทุกวัน น, น้วก็คือคือดีขึ้นคือพอเหมือนบังคับอะค่ะร่างกายบังคับว่าเออตอนนี้ตื่นมาทําเป็นแบบกั น, นก็ออโต้ไม่ไม่มีแบบอิดออดไม่มีคือถ้าอยู่คนเดียวก็คงอิดออดมีเหตุผลอะไรงเงี้ยอันนี้พอหลายคนก็ชวนกันมาทําได้ได้ดีอะค่ะอันนี้อุ้ยอะรู้สึกว่าเวลานั่งปฏิบัติเนี่ยอุยชอบนั่งนั่งทํานั่งปฏิบัตินะ ปกติมันสามสิบนาทีอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยก็จะแบบเพิ่มเวลาเพราะว่ารู้สึกว่าแบบช่วงยี่สิบนาทีเนี่ยมันจะสบายมากมันจะได้ยินเสียงมองเห็นเห็นความคิดเกิดดับอะไรแบบสบายสบายใสๆเป็นแบบว่าความคิดก็ความคิดธรรมดาอะไรเงี้ยเหมือนแบบเออเดี๋ยวไปทําอะไรอนาคตอดีตอะไรเงี้ยคราวนี้แต่พอแบบหลังๆเริ่ม ห, ห, หลังจากปวดแตบบ่เริ่มเราไม่เปลี่ยนท่าแ ล, แล้วก็นั่งเงี้ย พอเริ่มปวดขาเริ่มเหน็ บ, นบกินเริ่มแบบหุดมีอะไรไอ้พวความความคิดแบบทางลบอย่างเนี้ยมันพอมันมาเยอะๆมันก็มันก็สนุกดีนะคะมันก็จะเห็นแบบจะเห็นอีกตัวเลยค่ะอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกว่ามันแบบมันจะมีอีกตัวย่องมาเลยค่ะว่ามันแบบว่าเฮ้ยพอแล้วสามสิบเกินสามสิบนาทีพอแล้วออย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ก็ขยับสิเปลี่ยนท่าสิไม่เห็นต้องนั่งค่าเดิมท่าแจนก็บอกเปลี่ยนท่าได้นะนี <c oughs> คือจะมีอีกตัวแบบกอกหูอยู่เนี้ยเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วเราก็นแน่นมาแล้ะแต่ว่าเห็นนะคะคือไอเห็นปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่นะว่าเออลมเย็นอะไรก็ยังเห็นอยู่ะะแล้วก็เห็นอีกตัวนี้เพิ่มเข้ามา เ, นะเออ ก, ก็สนุกดีก็เห็นมันแบบแบบว่าไซโคเราใหญ่เลยนะว่าให้ให้เราลุกสิให้เราทํานี้สิอะไรเนี้ย <c oughs> แต่ว่าก็ก็ไม่ได้ทํานะคะก็ไม่ได้ตามเหมันก็ถูก<อ> ไ, ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสัตุ์นั่นแหละครื่องเห็นเจ้าตัวจอมวงการเห็นมากมาบ่อยๆมันแค่เจ็บเฉยๆแต่ไอ้ตัวจอมวงการที่เบื้องหลังมันคือโทสะเบื้องหลังคือความไม่ชอบนะั่นแหละไอ้จ้ตัวจอมวงการเนี่ยทุกคนพยายามลองเห็นหนี่มาดีๆมันจะคอยแอบแฝงอยู่เรื่อยๆตามเหตุการณ์นั่นแหละ ถ้าชอบมันก็จะบง ก, การอย่างหนึง่งถ้าไม่ชอบมันก็จะบง ก, การอีกอย่างหนึง่งถ้าเราไม่ทันมันนะไอ้อออตัวจอบมบงการนะทั้งที่เียบปวดก็คือโปดนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกแต่จะโซจอบมบงตัวจุนจ้านนะ่ะจะจำค่ะแต่แ ต, แต่อีกอันหนึ่งคืออุ้ยว่าไอ้ไอ้อารมณ์แบบแรงๆแบบอารมณ์โกรธอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราใช้ชีวิตรประจําวันเนี้ยแล้วมันมีความโกรธมีแบบแรงๆพวกอารมณ์แรงๆเนี้ย เห็นทันนะคะเห็นเห็นเร็วเห็นง่ายพอเห็นปุ๊บก็ก็รู้เลยว่าแบบจะโกรธไหมจะเข้าไปโกรธกับเขาไหมหรือว่าแบบถอยมาคือแบบมันสามารถเหมือนเหมือนมันมีเวลาให้เราอ่าจะเอางินอเงี้ยเออเลื่อนไลื่อนไ้เหมือนอย่างนั้นนะคะอืมอมันเลื่อค่ะแต่ว่าแต่ว่าพวกอารมณ์แบบอารมณ์ดีๆค่ะอารมณ์พอใจอารมณ์แบบช่องจังเลยสงบอะไรแบบเนี้ย จะจะไม่ไม่ค่อยทัน่งจะหลงแบบหลงสบายใจไปแบบยาวอเยแล้วค่อยถึงอา้าวนี่เราหลงไม่ว่าอะไรเนงะี้ยแต่แต่นานไปเลยอ่ ะ, ะก็เลยแบบอ๋อไอพวกนี้มันยากเนอ้อไอพวกตัวดีเนี่ยควาชอบใจออกยากกว่าไม่ชอบใจความชอบใจอะรู้ยากกว่าไอความความชอบใจอ่ะรู้ยากกว่าความไม่ชอบใจอ <c oughs> ความ <c oughs> ไม่ชอบใจ เออแต่ความชอบใจนะจะรู้ยากกว่าเด่นๆเนี่ยใช่เออราสังเกตยังไงแล้วแต่ละวันน่ะไอความรู้สึกในปัจจุบันที่ละขณะแต่ละวันเราดีขึ้นไหมก็ดีค่ะคือเมื่อก่อนอุ้ยก็เป็นแนวแบบแยกกายใจแบบตลอดเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเขาคราวนี้มันก็จะแบบ ทุกขนาดจริงรอะค่ะก็มันก็ได้ได้ไปเรื่อยๆทุกทุกกิจกรรมอะค่ะไม่ไม่ค่อยมีในสนหาเออพยายามส่งเสริมให้มันจิต ม, มันมันให้จิตเ น, นี่ตอนนี้จิตเรายังทำงานอยู่สองด้านนั่นแหละยังพอใจก็ทำงานอย่างหนึ่งไม่พอใจก็ทำงานอย่างหนึ่งพอใจก็ทำงานอีกที่จะ ไหลเข้าไปร่วมกับเขาไม่พอใจก็ทํางานอย่างหนึง่งในการที่จะมีญาติมีกันเดี๋ยวถ้าจิตไม่ทํางานนะจิตไเบลเบลขาดจริงๆไอความพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยมันจะ ค, อ ค, อค่อยๆเรียกว่ามันไม่เคยให้ค่าไม่เคยให้ค่าไม่เคยให้ความหมายอะไรทั้งสิน้นค่ะทำอย่างนั้นได้คือต้องเห็นมันบ่อยๆเห็นมันซ้ําๆว่าไอสิ่งที่พอใจเกิดขึ้นแล้วมันก็สลายตัว ไอสิ่งที่ไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็สลายตัวแล้วมันเป็นการสลายตัวของมันเองด้วยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแ้วมันไม่เคยง้อเราด้วยแล้วมันไม่สนใจเราด้วยมันอยากมาก็มาไม่อยากไปก็ไปแล้วเราอ่ะต้องเห็นการมากันไปเหมันการเกิดและการดับของมันไปเรื่อยๆจนจิตมันมันยอมรับว่าไอพวกนี้มันเป็นอย่างงี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละยังไงยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละคุณจะดีใจหรือไม่ดีใจกับมันหรือจะเกลียดมันจะรักมันมันก็เป็นมาอย่างนี้แหละ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 ปัจจุบันที่มันรู้ทีละขณะที่ละขณะเพราะว่าอารมณ์ปัจจุบันทีละขณะที่ละขณะมันจะเห็นการเกิดและสลายเกิดและสลายของทุกเรื่อ ง, องราได้เยอะบ่อยขึ้นแล้วต้องซ้อมจิตให้มันคุ้นชินกันี้ให้ได้ซ้อมจิตซ <pedir> ้อมจิตให้เห็นคุ้นชินกับการภาวะมาแล้วก็ไปเป็นภาวะของทุกเรื่องทุกราวที่มันแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียวแวบ เ, เดียวอยู่เรื่อยๆแล้วจิตมันจะเริ่ั้ง ทั้พอใจและไม่พอใจทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีมันจะเห็นแต่สักแต่ว่าเห็นว่ามันมาแค่ว บ, บเดียวแล้วก็ไปบางเรื่องบางเรื่องแล้วแต่มันแต่มันก็แค่มาแล้วก็ไปนี่นะซ้ อ, ะอมตัวอยู่กับปัจจุบันที่มันมันปรากฏขึ้ น, บนแบบแวบเดียวไปบ่อยบางทีเรารู้ไม่กันนะแต่เรารู้เรารู้ ไ, ม, นนะรรไม่ได้รู้เน้นลงไปว่าเออเนี่ย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 ให้เหนให้สัมผัสทางการเกิดแล้วหายไปเกิดแล้วหายไปของมันเรื่อยๆอย่างเช่นสมมว่าอย่างตงัวกรนีของเสียงเนะี่ยเสียงไหนที่มันดังดงเสร็จแล้วอา้าวรู้ช่วงจวังหวะมันเกิดแล้วนะก็ไปรู้ช่วงจวังหวะระดับของมันด้วยแล้วก็ค่อยผ่าน<อ> ไ, ปไปเหนี่ยวสักนิดหนึ่งเนียวนำสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเสียงไหนไม่ยาวเกินไปก็แค่รู้ๆ<อ>ไปสักพักห<อ>ก็ให้รู้เลยว่เออไปแล้วอย่างเงี้ยค่อยหัดไปว่าเพื่อทําให้จิตเราเนะี่ย ได้ดูสิ่งแบบนี้ที่ยาวขึ้นโดยไม่มีการที่ไหนก่อนเพราะช่วงเนี้ยถ้าเราเข้มแข็งพอเนะี่ยเราคอยจนันดวงให้มันมันมีสมาธิในการดูอารมณ์ได้ยาวขึ้นปล่อยมันค่ะไม่ได้ที่จะปัดมันทิ้งก็จะ<ม>เห็นแต่และเรื่องมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปหเห็นแบบนี้บ่อยๆมอะไกัเราจะรีบไปจน ก, กระทั่งว่าติดมันไม่ได้เรียกหรือใจรัก เมื่อจิตจะไม่รักเนี่ยเวลาไปเจออารมณ์ที่ชอบใจปุ๊บมันก็ยังเสพอยู่เวลาเจออารมณ์มันก็ยังเสพ อ, อ, อยู่อีกแทนที่มันจะดูเฉยเฉยว่าสิ่งนั้นมาแล้วที่สิ่งนั้นก็ไปแต่ไม่ใช่การคิดนะเป็นจิตสัมอาการ น, นั้นค่ะสัมผัสอาการ น, นั้นเลยนี่สักสัมผัสแต่เมื่อก่อนนะ่ะเราหน่วงไม่ได้เราหน่วงแล้วเราจะชอบยังไง หลวเราชอบละสายตาแต่ตในใจเราเริ่มรู้จักออกเป็นแล้วที่ออกเป็นแล้วที่ต้องขยับมาสเต็ปที่สองคือห่วงเวลาระไรมันได้รู้สักหน่อยนึงแล้วค่อยไปล่แล้วค่อยไปอันใหม่ต่อไม่ต้องรีบร้อนลองหาตัวแรกมันก็มีกลัวๆนะคะบางทีแบบว่ากลัวหลงแบบพอยิ่งยิ่งเห็นมองไปแบบคุกกี้แบบมันมากเนี้ยก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยกลัวว่าจะ รู้เข้าใจหลงเข้าไปเลยก็เลยแบบเออเปลี่ยนดีกว่าเดีดกัน้วเด็ดกันดูดีๆว่าเวลาที่มันสัมผัสกับเรื่องข้างในอ่ะแต่อย่าทิ้งเรื่องข้างนอกค่ะให้ไม่เห็นข้างนอกเกิดแล้วสลายไปด้วยทั้งที่เรื่องข้างในยังเกิดอยู่เนี่ยเราเห็นอยู่อย่างแบบนี้เหมือนเหมือนกับภาวะของตัวรู้ตัวที่มันเห็นทั้งสองฝากฝังอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่มีนอกแต่ถ้ามันเห็นข้างใน ข้างในแล้วข้างนอกหายไปเนี่ยแสดงว่ามันยังหลงอยู่เรา <med> เห็นใืองีิดอยู่นะแตข้างนอกก็ยังมีเห็นการเห็นการเกิดการสลายการเกิดการสลายเขาข้างนอกคกควกผู้ก็ไปไม่เป็นไรค <c oughs> นั่นแหละมันจะเปิดโอกาสให้จิตดได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ทั้งสองสองเรื่องราวทั้งสองทั้งสองภาคส่วนว่ามันสองภาคส่วนนี้มันจะเป็นวิจิตพิสดารก็ตามแต่ เอาไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้ยึดเรียนรู้ไม่แน่นอนของมันได้เรียนรู้ความทุกข์เรียนรู้ความไม่เที่ยงเรียนรู้ความเป็นอนัตตาของมันเนี่ยให้มากเข้ามาครับแล้วจิตมันจะเริ่มวางเฉยกองมันเองทั้งพอใจและไม่พอใจค่จะรูนะพยายามดวงมันให้หัดบางครั้งน่ะ เราต้องให้ให้ให้จิตมันหัดออกเองบ้างเราไปช่วยมันออกจนกระทั่งมันออกเองไม่เป็นก็มีปล่อยอืมปล่อยให้มันเอามือยากถูกทุกไปแต่เราตั้งสติเราดีๆแล้วเดี๋ยวให้จิตมันหัดออกให้มันหัดออกเองมันบ้างไม่งั้นเราช่วยปล่อยเข้าปล่อาแล้วมันไม่ช่วยตัวเองถูกทุกไปดูมันทำกประมาณนี้ค่ะค่ะมีลองดูค่ะ ตรวจดูดีขึ้นเนะาะค่ะดีขึ้นเยอะค่ะออออขอบคุณค่ะอาจารย์เคยค่อยทำกันไปเจ้าของคอคอดใครต่อหน้าจ้วงค่ะออจ้วงกับพระอาจารย์ค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินได้ยิน ค่ะก็ตั้งแต่ได้ตัวกดมานะคะก็มีความพยายามกดในช่วงแรกก็จะได้ถึงเป้าประมาณพัน <c oughs> ค่ะแล้วก็ฝึกพยายามทําทําตามแบบว่าลุกขึ้นมาปฏิบัติกันเนี่ยค่ะก็ได้รู้สึกว่าบางทีเราดุลูกหรือว่าเวลาลูกทําอะไรให้เราไม่พอใจอ่ะเราก็จะไม่โวยวายหรือว่าดุเขาแบบอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบ จะรู้แค่แค่รู้อย่างนั้นนะคะแล้วก็นิ่งเงียบไปเหมือนไม่อยากจะพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าพีดู ก, ก็สัน้นๆก็จะไม่ยาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็บางทีที่ขึ้นมาปฏิบัติเนี้ยค่ะก็ช่วงรแรกๆระหว่างเดินๆอยู่ก็อยู่ดีมันก็แวบขึ้นมาประมาณว่าอ๋อ นี่หรอที่เรียกว่าจิตส่งออกเราก็ได้ยินคํานี้มานานแต่เราก็ยังไม่เข้าใจแล้ววันนั้นก็อ๋อน่าจะใช่ค่ะแล้วก็เดินเดินเดินเดินต่ออะไรเงี้ยค่ะเราแล้วก็โอเคแล้ววันอืน่นๆเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราหลับใจเรารู้สึกยังไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับงพวงนอนกายกายเราก็นอนเงี้ยค่ะแต่ว่าใจเอ๊ะแรกๆก็ก็เอ๊ะทำไมยังไม่หลับได้ยินทุกอย่างอะไรเงี้ย แล้วแล้วมันก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะแรกแล้อีกทีหนึ่งอีกวันหนึ่งก็ก็เป็นเหมือนกันแล้วแต่มันยาวทั้งคืนเลยค่ะก็เริ่มรู้สึกอัวเริ่มรู้สึกวลจะทํายังไงดีความมันก็เลยคิดฟงซ่านนะคะว่ า, าจะทําังไงให้หลับดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้หลังจากนั้นก็ไม่เป็นอีกเลยค่ะแล้วก็ตอนตอนปฏิบัติก็ ก็เออไม่ทันตอนแรกมันไม่ทันสังเกตนะคะว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะจำความฝันเราได้เราก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเอ๊ะเป็นอยู่สองสมวันเราก็รู้สึกเออเราจําความฝันได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยว่าเมื่อกี้เราฝัานอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เราหลังจากนั้นมันก็ไม่มีหรอกแล้วมันก็ไม่มีแล้แล้วพอเรานอนไปเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่า แล้วเราก็จำไม่ได้นะคะความฝันทันทีอย่างเงี้ยแต่เราเหมือนกับเอ้เรารู้สึกว่าเมื่อกี้เราฝันเรื่องประมาณนี้สั้นๆเนี่ยค่ะแค่นั้นค่ะแล้วตอนตอนจะนอนตอนทุกคืนบางทีบางคืนก็ช่วงแรกๆก็มีฟังพระอาจาร์ก่อนนอนไปด้ว ย, ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนตื่นเท้ามาก็ตามนัดเวลาที่เรานัดกันก็ขึ้นมาปฏิบัติก็ก็กไม่ได้มีความขี้เกียจ ในตอนแรกก็ไม่มีก็โอเคตั้งใจขึ้นมาง่วงนอนนิดหน่อยแต่ว่าสักพักมันก็หายก็ไม่มีอาการง่วงนอนนะคะแล้วพอแล้วพอบางทีเราคุยกับพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเรื่องรู้สึกว่าเราเรารู้สึกแล้วว่าเราเห็นว่าเราเหมือนเราเปลี่ยนบางทีเขาพูดอะไรมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องทะเลาะ ก, กันละแต่เราก็จะนิ่งเฉย เวลาเหมือนเขาเตือนหรือว่าเขาบอกว่าลูกเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรับฟังเฉยๆไม่ได้ไปโกหกเขาหรือมีงผิดอะไรเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่เดินจงกรมแล้วก็รู้สึกถึงความมูกวาบขึ้นมาขนลุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยสังเกตดูว่า มันเป็นอะไรแต่ว่าก็คือดูมันเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสักพักมันก็หายไปค่ะแล้วพอมาฟังฟังพระอาจารย์ใน youtube หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ยินว่าพระอาจารย์บอกว่าอย่าไปอย่าไปติดเวลาเกิดสภาวะอะไรก็แล้วแต่องเงเหมือนกับเราอย่าไปติดอารมณ์นั้นติดนู่นติดนี่มันอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปหลงติดตรงนั้นเราก็เลยอีกวันมาปฏิบัติแล้วบอเอ๊ะเราอยากได้มันอยู่หรือเปล่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็สังเกตในตัวเองหรือว่าเราต้องการมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ลองเดินเดินแบบสบายใจเดินแบบเดินแบบเหมือนปกติแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วพอวันมันแต่ว่าทุกวันเวลาเดินเนี่ยมันก็ก็พยายามรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่บางทีความคิดมันก็เข้ามาและยิ่งวันไหนถ้าเกิดเราทะเลาะกับใครทะเลาะกับลูกหรือว่าทะเลาะกับแฟนหรือทะเลาะกับใครก็แล้วแต่แล้วมันไม่เคลียร์หรืออย่างเงี้ยมันก็ทําให้วันรุ่งขึ้นเรามาเดินเนี่ยเราก็ยัง อึดอัดอะมันไม่เคลียเรื่องเนี้ยมันต้องมันต้องให้ชัดเจนกว่านี้อะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามแบบอ่านรู้แล้วทิ้งรู้แล้วรู้แล้วปล่อยไปแล้วก็มาปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจนหมดเวลาแล้วค่อยไปสืบเรื่องนั้นต่อ <c oughs> ค่ะแล้วก็ <c oughs> ก็โอเคก็เคลียโดยที่เราก็ไม่มีอารมณ์เข้าไปเคลียเราก็ตั้งใจฟังเขาว่าเออเหตุผลอะไรเราเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จบลงได้ดีอื <c oughs> ค่ะแล้วแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่แบบ เอออาจจะนอนดึกนิดหน่อยแล้วทาให้ตอนเช้าเนี่ยเรารู้สึกขี้เกียจจะตื่นมาปฏิบตัติแต่เราก็คิดว่าเออเรามีตารางนัดหมายกันแล้วเราก็ควรที่จะทําให้มันได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย <Okay. S 1> ต, ต้องต้องปลุกตัวเองขึ้นมาเดินก็ก็โอเคค่ะก็เดินได้ปฏิบัติได้ดีค่ะ <S 2> <S 2> แล้วก็ได้กําลังใจจากจากพี่เลี้ยงแล้วก็เพื่อนเพื่อนในกลุ่มนะคะก็ <S <S ช่วยช่วยกันอยู่ค่ะ แต่หลังจากนี้มันก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เราใช้ตัวกดอ่ะค่ะใช้สองตัวแล้วก็เริ่มมีความสับสนอยู่ตลอดเวลาอธิบายยังไงก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะตอนกดเราอยู่ดีมันก็มีความสงสัยขึ้นมาเอ๊ะถ้าฉันเอ่อหาว่อย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะแล้วเรากดทันทีอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมหรือว่าเราเพราะอาจารย์บอกว่ามันต้องดับไปก่อนเกิดแล้วมันก็ดับแล้วเราไปกด อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะตกลงเราทําถูกไ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังมีการสับสนนิดนึงแล้วมันคือภายในหรือภายนอกยังยังไม่ค่อยคิดถึงเนี้ยค่ะเลยกดไม่ถึงไม่ถึงห้ารอยแล้วตัวกดมันก็เริ่มดรอปลงเพราะว่าเราเรามัวแต่แบบตั้งใจแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้กดมันกดไม่ทันน่ะคือเราเราดูเราเห็นมันนกบินผ่านอ่ะก็เห็นแต่มือเราก็มือมันแข็งอ่ะมันมันไม่ได้ กดกดให้รู้อ่ะแต่เรารู้ว่าเออมันมีนกบินไปหรือว่าคนขั้นถนนไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีตัวกดมันจะดีกว่าใช่ไหมคะมันจะเหมือนมันเตือนเรามันน่าจะดีกว่าใช่ไหมคะมันมันแค่ไปแค่อุปกรณ์เท่านั้นแหละอุปกรณ์ในการเตืนอนเฉยเฉยอไม่ใช่ไม่ดีกว่าหรอกแตเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ในการฝึกในการฝึกให้เราได้หัด ได้หัดขึ้นมารู้ได้หัดตื่นขึ้นมารู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับเราเท่านั้นแหละออแต่ตแต่เหตุการณ์ทั้งมันเยอะแยะเลยนะคะเออจุดประสงค์ของเรานะให้มันให้มันตืน่นมารู้เหตุการณ์ ร, รอบๆตัวเท่านั้นเองเพื่ออะไรค่ะเพื่อมันจะได้ไม่หลงไปกับเหตุการณ์ ร, รอบๆตัวแต่มันรู้กับเหตุการณ์รอบๆตัวนะ่นะเนียถ้าเราไปทําอย่างนี้ปุ๊บเราชอบหลงไปกับรอบตัวใช่ไ่ม พอลงเข้าไ ป, ไปตัวบุ๊ก็เลยกลายไปคิดจินตนาการยาวเลยทีนี้แต่พอเ<แ>ราหัดดูไหมว่าเราเริ่มรู้เหตุกรารณ์รอบตัวว่ามันเยอะขึ้นนะมันมากด้วยแล้วมันเต็มไปหมดเลยกดก็ไม่ทั น, <แ><แ>นทําให้เราหัดตื่นออกมาเนะี่ยไอ้ตัวตื่นรู้ขึ้นมาออกมาแล้วตัวคิดมันจะค่ อ, คอยๆน้อยลงแต่ตัวตื่นรู้มันจะมากขึ้นไอ้ตัวกดเนะี่ย เป็นช่วยมันเป็นแค่อุปกรณ์ในการช่วยกระตุ้นให้การตื่นรู้มันเยอะขึ้นคนถ้าเราไม่มีมันนะ่ะ<ต>เราะเะเราจะหลงเยอะอยังไงอ่ะไปแล้วก็นี้ก็แค่หลงใจว่ามันคือรูปหรือคือ น, น้ำก็กวบตัวข้างในเลยมึงสงสัยใช่ไหมกดตัวสงสัยไปเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งแล้วก็รีเซ็ตใหม่ต้นใหม่เออนี่ขาวนี่มันข้างนอกค่ ะ, คะค เขาเนี่ยมันข้างนอกหรือข้างในพอเราไม่เราสงสัยปุ๊บก็เราแค่กดข้างนอกเออหรือเขานี่คือเข้าใจว่าเราจะข้างนอกเอาวเพราะอาการเป็นเขาเราไม่ได้ไปรู้สึกว่าเราง่วงนะแอ่เขานี่คือข้างนอกแต่อีสงสัยเอ้คือข้างนอกหรือข้างในเราก็กดตัวข้างในไปด้วยทั้สองส่วนเลยกดทั้งตัวนอกเขาสงสัยว่ามันคือข้างในกดข้างในไปด้วยอย่างเงี้ยหันไปอย่างเงี้ย ค่อยๆหัดแยกไปบางเรื่องยังไม่เข้าใจตอนนี้ไม่เป็นไรจะกดแบบให้ฝึกไปก<ช>่อนว่าเออนี่ข้าในนะอันนี้คือข้างนอกนะค่อยๆทําไปเรื่อยเดี๋ยวจิจะค่อยเรียนรู้<ช>เองว่านอกจริงๆเนี่ยคือไม่เกิดอยายัดนัทั้งห้าตาหูจ<ช>มูกคือใกล้แล้วสัมผสัสที่เกิดขึ้นข้างในก็คืออด<ช>ีตอนาคตแล้วเป็นความคิดและคาําพูดในหัวสมองทั้งหมดไรโยนไปเลยคือข้างในนะะแล้วอือ Akan, แต co ่ถ mm ้าเราไม่ได้คิดล่ะคะสมมุติเราได้กลิ่นขยะสมมตินะคะเราได้กลิ่นขยะมาเนี่ยมันก็อ่ะเรารู้ว่าเหม็นอย่างเงี้ยคือข้างนอกก็กดข้าอกอย่างเียเออข้างในไม่ได้คิดอะไรแต่ใจเราไม่ได้อ๋อไม่ต้องกดก็ได้เออแต่เรารู้รู้แล้วว่าเออนี่มันไม่ได้คิดนะรู้แบบนี้คือรู้แบบไม่คิดนะนี่แหละให้หัดรู้บ่อยๆรู้แบบนี้ได้กินแบบนีคือเราได้กิ่นได้กินแล้วไม่คิดมันเป็นอย่างนี้นะ แล้วต่อไปมันจะรู้จักวัได้ไม่คิดเป็นอย่างนี้ได้ยินแล้วไม่คิดเป็นอย่างนี้ได้รับคิดเป็นอย่างงี้ได้สัมผัสทางกายแล้วไม่คิดเป็นอย่างนี้เออมันจะได้แตกก่อนลยหนูไม่ได้สงสต่อว่าต้องบอกตัวเองไหมต้องบอกตัวเองไหมว่าอ๋อนี่กลิ่นมาแล้วอ้าวเราไม่ชอบอังงั้นเรากดในอย่างงั้นค่ะใช่ให้กลับมากลับมนใช้กับมาใช้จะสัมผัสเถิดมันอ๋อค้ะได้ค่ะ ดู อ, อาการเองตามที่มันเป็นแหลนะคร่บใช่ใจสัมผัสถ้าเราใช้ภาษาเนี่ยเราจะใช้ความคิดสัมผัสแล้วมันจะได้ไม่เจอของจริงมันจะหลงาาหรายละเอแต่ถ้าใช้ใช้ใจใช้ใจส ม, นะมันจะลงารายละเอียดเลยส่วนอาการเหม็นเนี่ยมันเหม็นแบบไหนมันมีอาการมีใคถ้าใจใจสัมผัสเราจะต้ใช้ความคิดสัมผัสค่ะเออทีนี้เวลาเราหัดนะ ค่ะไปบอกมันตาเนี่ยมันก็เออเนี่ยหัดนเจอจมูกไม่ได้กินอย่างไงก็ให้มันบอกมาแบบนั้นแหละแล้วอย่าไปบอกมันว่าเอ้เนี่ยนะไอ้นี่เราบอกมันแต่ว่าเวลามันได้กลิ่นผัดาครั้งแรกแล้วไอ้ใจมันรับรู้ครั้งแรกรับรู้ทันที น, ะนั่นแหละเครียกว่ามันกําลังรู้ว่าจมูกมันบอกอย่างไงลิ้นมันบอกอย่างไงตามันบอกอย่างไงกายอกให้สิ่งเหล่านี้เขาบอกเรา เราเพียงแต่เข้าไปรู้การบอกบอกเล่าเรื่องราวของเขาการพยาาไปบอกเขาว่าอันนี้ฉันได้ยินนะอันนี้ฉันเห็นนะนี้่ก็นอันนี้ น, น, น, น, นะอันนี้กินอ น, นุษย์นี่เราจะไปบอกเรื่องไปบอกเล่าเรื่องราวของเขามันเป็นความคิดมคไมอใช่ปล่อยให้ให้อายตนะมันบอกเราตรงตรงเลยมันจะคนละเรื่องกันแล้วต่อไปเราจะรู้จกักว่าพวกนี้ก็ทํางานกันเองเข้ามากระทบกันเอง แล้วก็หายกันเองอรู้เรื่องราวของเขาเองเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเราจะเรื่องสบายาขึ้นเออเรื่องสบายาขึ้ น, น, นแต่ถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มชนเยอะๆแล้วคะกลุ่มเรีย บ, บคนเยอะแยะพุกพ้าอย่างเงี้ยแล้วแบบมันมีหลากหลายมากมายเราก็ตามกฎกฎโดยที่เราไม่ต้องกำหนดตัวเราเองว่าอ๋อเราเห็นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปกำหนดเขาใช่ไหมคะ เออนั่นแหละนั่นแหละถ้าอยู่คนเยอะๆดีถ้าอยู่เยอะๆปุๆๆ๊บรู้อย่านั้ยังไม่ไม่ั้ำไปรู้ระพานระพารู้ระพาป้องบอกกันมันเยอะเกินค่ะแล้วแล้วมันแบบฟุงงซ่านมากเลยค่ะโอ้ก็อย่างวันนี้หนูไปส่งลูกไปเรียนไงคะแล้วบางีแบบโอ๊ยเด็กย้วเยือยือย้อแ ย, ะยะ้วุ่นวายมากเลยอะ่ะแล้วบางทีเรากดแล้วก็กดกดกดเอ๊ะแล้วสักพักก็มาสงสัยว่า แล้วถ้าเกิดเขาเขาคุยกันอยู่เรากดไปแล้วเงี้ยแล้วหันมาเห็นเขาอีกอะไรเอ้ถ้าเราจะกดอีกไหมเราต้องกดไหมกดซ้ํำไหมสมมุติไปอย่างนี้สมมุติเราเห็นไปแล้วเห็นไปแล้วหายไปแล้วนั่นคือมันจบไปแล้วนะแต่ครั้ที่สองเนี่ยที่เห็นใปนี่เป็นครั้งใหม่แล้วสมมุติเราใหมาเห็เสื้อบินผ่านไปแล้วจบไปแล้วเอามันบินกลับมาอีก แล้วต้องกดอีกไหมนี่มันคือครั้งใหม่แล้วไม่ใช่ครั้งเก่าแล้วเราก็รับรู้ไปเรื่อยอเพื่อตื่นทำ<อ>นให้คุณจวงทําไปเอยอะก่เหมันจะกระตุ้นให้โจตจิตตื่นรู้อะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรเราแค่ต้องการว่าให้มันไปกระตุ้นจิตตื่นรู้ให้เยอะขึ้นเท่านั้นเองมันจะบินกับรอยเที่ยวเราก็กดบนรอยเที่ยวนั่นแหละเพื่อต้องการแก่กระตื่น ไปท่านเองไม่กันได้เออมันจะเตือนคิดมันจะเตือนขึ้นมาเพื่อคิดไม่จะเตื่นขึ้นมาเพื่อรู้อ๋อค่ะอืมเออเราต้องการให้มันตื่นขึ้นมาเพื่อรู้สิ่งนั้นคืออะไรเฉยๆเดี๋ยวจะดีขึ้นอ่เขาใจใค่ะค่ะใช่คุณค่ะค่ะอ่าขอะเพราะคุณค่ะพัฒนามันอีกนะค่อยๆทาไป ค่ะไ ด, ด้ค่ะค่ะหมดย่างหรือล่ะหมดค่าพระจันทร์หมดยางหมดค่ากลุ่มอื่นได้เลยค่ะเออทีนี้ใครอยากจะรายงานบ้างใครอยากจะรายงานมีใครอยากจะรายงานบ้างมีไหม <Yeah. S 1> กราฟอาจารย์ค่ะยังกรขอรายงานค่ะ uh, อค่ะเอ่อพระอาจารย์ตอนนี้ยมฝึกรู้สึกว่ามันเหมือนมันตีตีกันยังไงไม่รู้อ uh, <laughs> พอฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกมันตีกันไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ uh, s like. <S แต่ฝึกก็ฝึกตาม ทางที่พระอาจารย์สอนมาตลอดนะคะแล้วก็ยังปฏิบัติทุกวันแต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าทําไมมันดูเหมือนจะไม่ใช่เหมือนมันมีความลังเลสงสัยใช่ไหมพระอาจารย์เป็นแบบนี้โยมรู้สึกว่าก็เลยก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยฝึกกับหนึ่งต่อหนึ่งถ้าส่วนใหญ่<แ>ให้มันมีกําลังมากขึ้นนะพระอาจารย์รู้สึกว่าเหมือนกับมัน มันแถวๆยังไงก็ไม่รู้อะค่ะแต่ถามว่าถามว่ามันรู้ไหมมันมีเห็นอารมณ์ไหมมันก็เห็นนะคะอาจารย์แต่ว่าเหมือนปฏิบัติแล้วมันมันมันไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าอ่ะเหมือนเหมือนจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเอาอยี้เอาใหม่ที่ก็ลงทิ้งแล้วกันเรื่องใหม่ทิ้งไปเลยเรงใหม่ เรื่องต้กเรื่องนจนึ่กจริงจเป็นยัแล้ว mhm ่กจริงไปยก่อนเ่เป็น่ครหนึ่นงตี้ก่อนเปไรเบงทีมเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจใช้หนึ่งต่อหนึ่งไงคือเอากลายเป็นหนึ่งเอารู้เป็นหนึ่ง ใช่ค่ะไปเหมือนกับจริงๆก็เหมือนกับทีละขนาดไปเลยนะคะอาจารย์เหมือนกับแยกไปเป็นส่วนๆไปเลยอืมหันเริ่มจากนี้ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ฝึกไปนานๆแล้วมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะาอาจารย์เหมือนมันเหมือนจะไม่เข้าใจแต่ก็เข้าใจ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอารมณ์แบบนี้ให้พรอาจารย์เข้าใจยังไง ที่มันยังไม่แจ้แจะไม่แจ้งจริงมันไม่ใแจงแต่มันเหมือนพูดแต่มไม่รู้มันเหมือนใช่ไม่ใช่เป็นพวะเรื่องวิจิตรฉามันเป็นอารมณ์หนึ่งขาหนึ่งกระหันแต่การผ่านเริ่มมาจากจุดที่เราจุดก่อนจาเราเริ่ ม, มาาเราชัดเจนชัดเจน รู้ชัดเองร่างกายเองตัวรู้เองนานเอเริ่มจากจนี้ไปก่อนเนใจอรมเก่าอยู่ร้นี่เขาใจไหนเโลทิ้งไปเลยตั้งศูนย์ใหม่ใหม่ใหม่เป็นยังไง ใจมันเพราะบางที่อมีปัญหาตั้งอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะรับอาจารย์สาธุค่ะ